น, นี้ก็ไปปลูกป่ากันชื่นเคยสาวอาทิตย์นี้ก็จะปลูกป่ากันเรื่อยๆไปนะจนถึงอาทิตย์หน้าแล้วก็จะมีมาเสิร์ฟอีกเรื่อยๆวันนี้ก็เรียกว่าทั้งคนปลูกก็ได้ต้นไม้ก็ได้คนปลูกก็ได้น้ำมนตต้นไม้ก็ได้น้ําฝนฝนก็เทลงมาคนปลูกก็ชื่นใจนะเพราะว่า มั่นใจได้ว่าต้นไม้ที่ปลูกก็ยังน้อยก็คงจะไม่โดนแดดเผาจนตายเหมือนกับอีกหลายต้นที่ปลูกก่อนหนั้นนั้นที่ว่าคนปลูกก็ได้น้ำม น, นีหมายถึงอะไรก็หมายถึงได้เงือเงือ่อ น, นี่คือน้ำมนที่ดีที่สุดจ้าพุทธทาบอกว่าน้ำมนที่ดีที่สุดก็คือเงือนี่แหละมันไม่ใช่น้ำที่ใครจะมาให้ได้ น้ำมนต์ที่พระพรมให้แก่ใครต่อใครเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับน้ำเงื่อนะที่เจ้าตัวได้ทำขึ้นมาจากความเพียรหรือจากนำพักน้าแรงของตนโดยเพราะที่เป็นการทำความดีไม่ว่าเพื่อเป็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ท่านก็ตามน้ำเงื่อนี่มันอาจจะหมายถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางกายแต่ว่ามันทำให้เกิดความภาคภูมิใจ เจ้าตัวโดยเพราะเมื่อได้อาบน้ําอาบท่าแล้วจะรู้สึกเลยว่ามันสดชื่นนะสดชื่นจากการที่ได้ทําสิ่งที่ยากให้สําเร็จได้หรือว่าสดชื่นที่ว่าเออได้ทําสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาน้ํามนต์อันนี้ก็ชาวพูดเราไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ทั้งทั้งที่เป็นเป็นเรื่องหัวใจในเรื่อง การปฏิบัติธรรมของชาวพุทธก็คือความเพียรพระพุทธองค์ตรัสว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่อาจจะล่วงทุกข์ได้เพราะอย่างอื่นต้องล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรศาสนาพุทธมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวิริยะวาาหรือว่าวิรยาวาิยะวัฏก็คือคําสอนที่เน้นตรงความเพียรเพราะถ้าไม่มีความเพียรแล้วทุกอย่างก็เป็นอันไม่สาเร็จ ความเพียรอย่างหมายถึงการให้ความสําคัญกับการพึ่งตนเองเพราะว่าถ้าไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไปพึ่งอิทธิปฏิหารหรือสมัยนี้ก็คือไปพึ่งเทคโนโลยี ไ, ไปพึ่งเม็ดเงินคนสมัยนี้ถึงเอาเทคโนโลยีเป็นพระเจา้าก็เลยไม่คิดจะพึ่งความเพียรของเจ้าของจะสอบนี่ก็คิดแล้วว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรที่มันจะทําให้ กงข้อสอบได้แนบเนียนที่สุดก็เลยไม่สนใจที่จะขยันอ่านหนังสือขยันค้นคว้านี้มันเป็นเรื่องสำคัญเลยของเมืองไทยเวลานี้ที่ว่าเราไม่ได้พึ่งความเพียรทั้งทั้งที่เป็นเป็นเป็นแก่นของการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่เน้นให้พึ่งตนเองเรื่องความเพียรเนี่ยนัมันเป็นเรื่องที่ต้อง อาศัยปัญญาเข้ามาประกอบด้วยโดยเฉพาะเวลาทาเรื่องที่ยากๆเวลาทําเรื่องที่ยากๆเนี่ยคนก็มักจะมองไปแล้วว่าทาแล้วจะสำเร็จไหมพอทําเรื่องยากๆแล้วก็มองไปแล้วเห็นว่าสำเร็จได้ยากก็เลยไม่อยากจะทํางอมืองอเทา้าแต่ถ้าเกิดว่าสามารถจะวางจิตวางใจให้เป็นนะโดยเพราะการให้ความสาคัญ กับเรื่องของความถูกต้องมากกว่าความสาเร็จนะนนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราจะเอาเรื่องความสาเร็จเป็นใหญ่ถูกต้องไม่ถูกต้องเอาไวท้ทีหลังขอให้ฉันเป็นฝ่ายชนะถ้าทำแล้วฉันแพ้ฉันไม่ทำถึงแม้มันจะถูกมันจะต้องสมัยที่โฆษณาโตศิตรกูลเขาเคลื่อนไหวเรียร้องให้นาเอา กอฟผหรือการไฟฟ้าภายผลิตเนี่ยที่กําลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ให้กลับมากลับมาเป็นรับวิสาหกิจเหมือนเดิมเนี่ยตอนนั้นมันก็เลยว่าอ้อยนี่เตรียมจะเข้าปากช้างไปแล้วเพราะว่าไ้ใครๆก็เตรียมซื้อหุ้นกอฟผแล้วก็ถ้าเกิดเข้าตลาดทุนเมื่าแล้วก็จะรวยกันมากมายโดยเพราะคนจํานวนหนึ่งอันนี้คือนโยบายของรัฐบาลในเวลานั้นตอนที่โฆษณาเขาจะเคลื่อน จะทำการฟ้องสารปกครองเพื่อให้พิจารณาว่ามติครัฐมนตรีเป็นโมฆะนะที่จะให้กฟผเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่มีใครเห็นด้วยคือทุกคนบอกว่าดีนะแต่ว่าไม่มีใครเห็นด้วยเพราะว่าไม่มีใครคิดว่ามันจะสําเร็จแม้แต่นับกฎหมายระดับมือหนึ่งของเมืองไทยก็บอกว่าไม่มีทางหรอกไม่สําเร็จอ้อยมันเตรียมจะเข้าปากช้างอยู่แล้วแม้แต่ทนายความที่เป็นคนเขียนคําฟ้องเนี่ย ก็ยังไม่เชื่อเลยว่ามันจะสําเร็จก็มีคนไปถามลสนาไปทวงลสนาว่าทําไปทําไมมันแพ้เปล่าเปล่าลสนาเขก็เลยบอกว่าแล้วคุณจะทําเฉพาะเรื่องที่มันชนะเลยนะคุณจะทําเฉพาะเรื่องที่มันชนะเลยเราจะมีความภาคภูมิใจไหมถ้าเกิดว่าเราไม่คิดจะทําสิ่งที่มันถูกต้องบ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่มีโอกาสชนะหรือว่ามีโอกาสจะชนะน้อยนะมันก็ต้องทําเพราะว่ามันเป็นความถูกต้องอในปัจจุบัน คนเราเริ่มคลายความเพียรลงไปโดยเพราะเมื่อเราเมองมันไม่มีความสาเร็จเราไม่ได้เอาความถูกต้องเป็นหลักเราเอาชัยชนะซึ่งที่จริงก็คือการตอบสนองอัตตาตัวตนคือเราต้องการได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะเราไม่ได้ต้องการได้ชื่อว่าเป็นผู้แพ้ทนายความที่ทาเรื่องฟ้องก็จะบอกว่าผมทําทุกคดีมาผมชนะหมดผมไม่อยากจะแพ้ว่าคดีนี้ ใน เ, เรื่องเบื้องหลังนะโฆษนาเขาบอกต้องทําถ้ามันถูกต้องมันต้องทําแพ้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าเราได้ทําเต็มที่แล้วอันนี้แหละก็คือจะเรียกว่าเป็นหลักการหรือว่าเป็นวิธีการนะที่พระพุทธเจ้าก็ก็สรรเสริญว่าเนี่ยมันต้องทำท่าเรียกว่าใช้หลักว่าธรรมมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยคือการเอาความถูกต้องเป็นหลักไม่ใช่อัตตาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยโลกาทิปไตยคือว่าจะทําอะไรก็ ขึ้อยู่ความเห็นของคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ i, ยจะทําทเลยเอาก็ไม่ทําคือโอนเอียงไปตามเสียงส่วนใหญ่ น, นี่เรียกโลกาธิปไตยแต่ว่าทําเพื่อป้องการประโยชน์ส่วนตัวนีต้องการอยากเด่นอยากดังต้องการผลประโยชน์รรชนี่เรียกอัตตาธิปไตยการทําเพื่อหวังชัยชนะมันก็เข้าอยู่ในฝ่ายอัตตาธิปไตยได้นีแต่ถ้าเป็นธรรมธิปไตยแล้วความถูกต้องมาก่อนความสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้นมาทีหลัง แล้วก็ในแง่ของชาวพุทธก็มองว่าประกอบเหตุให้ดีทําวันนี้ให้ดีส่วนผลมันจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่เหตุปัจจัยก็คือพูดง่ายๆคือขึ้นอยู่กับธรรมชาติก็ได้อันนี้มันมีภาษาจริงเขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่มนุษย์ความสําเร็จอยู่ที่ฟ้าความพยายามอยู่ที่มนุษย์มนุษย์มีหน้าที่ทําความพยายามให้เต็มที่ส่วนความสําเร็จนั้นมันไม่ได้อยู่ในอนํานาจของมนุษย์มันเป็นเรื่องของฟ้าดิน อันนี้พูดแบบภาศศษตจีนแต่ถ้าพูดแบบพุทธก็คือว่าความพยายามเป็นหน้าที่ของมนุษย์แต่ความสำเร็จเป็นเรื่องของตัทะตาเป็นเรื่องของตัทตาตัทตาคือว่าเป็นเช่นนั้นเองหรือว่าเป็นเรื่องของกระแสเหตุปัจจัยซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถจะควบคุมได้แต่มนุษย์เราก็สามารถจะเข้าไปมีส่วนในการสร้างเหตุปัจจัยนั้นให้เกิดขึ้นและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นได้ด้วยความเพียร ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะมุ่งประกอบเหตุให้ดีมุ่งประกอบเหตุให้เต็มที่นะส่วนผลมันเป็นยังไงก็ถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรานะมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองก็คือว่าไปสนใจว่าแล้มันจะสำเร็จไหมอันนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเราอันนั้นมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัย เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของฟ้าดินนะถ้าพูดแบบภาษาคนจีนก็เรื่องของฟ้าดินเราไม่ต้องไปยุ่งในเรื่องที่มันเป็นของฟ้าดินคือจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเป็นเรื่องของฟ้าดินนะแต่ว่าหน้าที่ของเราเราทําหน้าที่ในส่วนที่เป็นเขตแดงของเราให้ดีที่สุดก็คือเรื่องของการใช้ความเพียรการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราอย่าไปสนใจว่าเมื่อไหร่มันจะเห็นผลเมื่อไหร่มันผลมันจะปรากฏ อันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือทําปัจจุบันให้ดีที่สุด้อย่าไปเผลอละทิ้งหน้าที่ของตัวแล้วไปยุ่งเรื่องของคนอื่นคือไปยุ่งหรือไปก้าวไายเรื่องของธรรมชาติเรื่องของฟ้าดินเรื่องของกระแสเหตุปัจจัยเราชอบไปก้าวไายเรื่องของคนอื่นแต่หน้าที่ของตัวเองไม่ทํามันก็เลยทุกข์จะปฏิบัติทำก็คอยชะเง้อดูว่าเมื่อไหร่จะเกิดผลเมื่อไหร่จะบรรลุผลบรรลุธรรมแล้วก็เลยไม่ได้ทําความเพียรของตัวเอง อันนี้พวกเราถ้าเรารู้หน้าที่เราก็ทําในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราให้ดีอย่าไปก้าวไกลอย่าไปยุ่งเรื่องที่มันไม่ใช่หน้าที่ทของเรามากนะัะคือเรื่องของความสําเร็จว่ามันจะออกมาอย่างไรมันเป็นเรื่องของอนาคตด้วยไม่ใช่เรื่องปัจจุบันอันนี้เรื่องการทําความเพียรหรือวิริยะนี้ก็เราก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ต้องมีความพอดีอยู่เหมือนกันการทําความเพียร น, นะมันก็ต้องมีความพอดี โดยพอการปฏิบัติทำเนี่ยถ้าทําด้วยใจที่จะโหมแล้วเนี่ยมันเกินพอดีไปอันนี้ไม่ได้ใช้คําว่าทางสายกลางนะเพราะอย่างที่พูดไว้ตั้งแต่วันเข้าพรรษาว่าไอ้ความพอดีกับทางสายกลางมันคนละอันกันความพอดีมันคือว่าไม่มากไม่น้อยแต่ทางสายกลางมันคือว่าไม่ผิดมันคือทางที่ถูกมากหรือน้อยกับถูกรึผิดนี่มันคนละเรื่องเหมือนกับว่าผลไม้นะส้ม ทุเรียนแล้วก็แอปเปิลเนี่ยสอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกันว่ามันน้อยหรือมากแต่มันเป็นเรื่องคลชนิกกันเลยทางสายกลางทางสายกลางคือทางที่ถูกเช่นถ้าจะกินให้ได้วิตามินซีมันก็ต้องกินส้มนะจะไปกินอย่างอื่นมันก็ผิดทางสายกลางคือทางที่ถูกตรงวัตถุประสงค์อันนี้ในเรื่องความเพียรเนี่ยมันเป็นเรื่องความพอดีความพอดีคือไม่มากไม่น้อยถ้ามากไปก็เป็นปัญหา อย่างเรื่องของพระโสนกโกริวิสาที่ว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรในการปฏิบัติแต่ว่าเป็นพวกสุขุมอรชาติสุขุมอรชาติคือพวกผิวบางเป็นผู้ดีเดินจงกรมนี่เดินด้วยความเพียรเข้าใจคงจะอยากจะเอาด้วยอยากจะได้อยากจะเอาก็เลยเดินใหญ่เลยเดินเดินจนกระทั่ทงเท้าแตกเท้าแตกก็ยังไม่หยุดเดินนะมีความเพียรมากอย่างแรงกล้าเดินอยูทง่งทางจงกรมนี้มัน เรียกว่าเปื้อนไปด้วยเลือดแล้วก็ยิ่งทําก็ยิ่งทุกข์จนท่านพระพุทธเจ้าต้องเสด็จมาเพื่อที่จะแนะนําให้มีความเพียรแต่พอดีท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าการดีดพินสามสายพระสนานี่ก็เป็นเป็นนักดนตรีเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านดนตรีก็รู้ว่าพินนั้นเนี่ยถ้ามันขึงตึงไปมันก็ไม่เพราะถ้ามันหย่อนไปก็ไม่เพราะมันต้องพอดีพอดี พอพูดอย่างนี้เนี่ยพระโสนหน้าก็เข้าใจแล้วก็เลยทําความเพี้ยนแต่พอดีความเพียนพอดีนี่เราเรียกวิริยะสมมตาไม่ใช่ทางสายกลางเราเรียกวิริยะสมมตาคือความเพียนแต่พอดีแต่ว่าการที่เปรียบเทียบการที่พระพุทธองค์เปรียบเทียบกับพินสามสายว่าต้องพินเส้น ก, กลางๆลนี่แถึงจะเหมาะคนก็เลยไปเข้าใจว่าอันนี้คือเรื่องทางสายกลางเวลาใครทําความเพียนมากก็บอกว่าไม่ใช่ทางสายกลางอันนี้ผิดนะเราไปสับสนระหว่าง ทางสายกลางกับความพอดีบางทีมันก็ใกล้กันมากแต่บางทีมันก็ไม่ใช่นะความเพียรแต่พอดีเนี่ยคือวิริยะสมรตานะก็ต้องทําถ้าทําด้วยความอยากความอยากมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคักับการปฏิบัติซึ่งอันนี้ก็ได้ย้าไว้หลายครั้งนะว่ายิ่งอยากได้ยิ่งยิ่งไม่ได้ยิ่งอากจะให้ถึงไวก็กลับถึงช้านะหลวงพ่อเทือนทั้งถึงเน้นอยู่เสมอว่าให้ทําเล่นๆนะแต่ทําจริงๆอันนี้ ความเพียรเนี่ยนะมันต้องมีความเพียรแต่พอดีความเพียรแต่พอดีและขณะเดียวกันเนี่ยไอความเพียรแต่พอดีได้นเนี่ยมันต้องอาศัยสติสตินี่เป็นตัวตัวทําให้ให้เกิดความสมดุลทําให้เกิดความเพียรแต่พอดีแล้วก็ทําให้เกิดความพอดีในอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับความเพียรอินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับความเพียรโดยตรงก็คือสมาธินะอันนี้ถ้าเราเรียนเรื่องอินทรีย์5เนี่ย เราจะเข้าใจอินทรีย์ห้านี่ก็จะมีมีอยู่2คู่ก็คือวิริยะกับสมาธิแล้วก็ศรัทธากับปัญญาแล้วก็มีตัวที่5คือสติสตินี่จะเป็นตัวปรับสมดุลระหว่างวิริยะกับสมาธิให้มันได้พอดีพอดีกันเพราะว่าถ้าวิริยะมากสมาธิมันก็ก็อ่อนคนที่มีขยันมากก็ฟุ่งซ่า น, นง่ายแต่ว่าคนที่มีสมาธิดี บางทีก็ติดสมาธิจนกระทั่งไม่อยากจะทําความเพียรนะนักปฏิบัติธรรมที่ติดสมาธินี่ก็จะไม่ค่อยอยากจะขยันทําอะไรอยากจะเก็บตัวอยู่แต่ในกุติในที่พักหลวงพ่อคำเขียนเล่าว่าท่านตอนที่ท่านเป็นคารวะเนี่ยเป็นเครือข่ า, านเนี่ยท่านก็ท่านก็ชอบทําสมาธิพุโทโธมากท่านทําสมาธิจนกระทั่งเห็นเห็นเคียวเนี่ยนะมันมันอ่อนไหวเหมือนกับใบใบข้าวเลยอ่อนช้อยมันใบข้าวเลย เรียกว่าเกิดนีมมีขึ้นมาแล้วเวลาท่านทําสมาธิมากๆตอนหลังท่านก็ติดนะเพราว่าบางทีไม่อยากออกไปทํานาเลยคือท่านเนี่ยเป็นลูกชายคนโตที่ต้องทํานาช่วยทางบ้านเพร่อยมพ่อเนี่เสียตั้งแต่เล็กนะท่านก็มีน้องเยอะต้องไปช่วยทํานาตั้งแต่เล็กไม่ค่อยได้สนุกสนานแล้วท่านขยันมากนะแต่พอมาทําเรื่องสมถะเนี่ยบางทีท่านก็ไม่อยากจะออกไปไปนาอันนี้ก็เรียกว่าวิริยา ม, มันก็เริ่มอ่อนนะเพราะว่าติดกับความสงบ ว่าต้องมีสติเข้ามานะเพื่อที่ทำให้ไม่ให้ติดอยู่กับสมาธิจนกระทั่งความเพียรมันอ่อนต้องให้ได้มีความพอดีพอดีระหว่างความเพียรกับสมาธิศรัทธากับปัญญาก็เช่นเดียวกันนะศรัทธามากปัญญาก็ไม่เกิดเช่นเชื่อใครสักคนนึงเนี่ยก็เชื่อแตพ่พฤ่งต่พือไปไม่ใช้ความคิดวิจรารณญาณว่าสิ่งที่เขาพูดมาถูกไหมซึ่งบางทีก็ทาให้ถูกหลอกได้ง่ายนะถูกหลอก ถูกพระเกจิอาจารย์หลอกนะซึ่งเป็นของปลอมก็หลอกไปเพราะว่าศรัทธาเยอะนะเสร็จแล้วก็มาเสียใจอันนี้เพราะว่าขาดสตินะก็ทำให้ศรัทธานี่มันมันหนักจนกระทั่งปัญญานี้อ่อนแต่ถ้าปัญญามากนะศรัทธาก็น้อยนะมันจะคอยเถียงมันจะคอยแย้งมันจะคอยจ้องจับผิดอยู่เสมอนะบางทีก็ติดที่ถ้อยคำคนที่มีปัญญามากเนี่ย รู้มากปริยัติมาเนี่ยก็จะติดถ้อยคําของครูบาอาจารย์ว่าพูดอย่างนี้มนไม่ถูกต้องนะตามพระตไตรปิฎกก็จะมีจับผิดได้เรื่อยๆหรืออย่างที่เราอาจจะเคยอ่านเรื่องการมนิตนะการมนิทเป็นคนมีปัญญามากก็เฝ้าหาพระพุทธเจ้าแต่ขณะอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่รู้ว่าเป็นผู้เจ้าก็เพราะว่าไอ้ความที่ทะนงตนในปัญญา ใครพูดอะไรมาก็เถียงใครพูดอะไรมาก็แยง้งก็เลยไม่มีศรัทธาโน้มให้แกพระพุทธเจ้าเห็นว่านักบวชผู้นี้นะก็เป็นนักบวชธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษอันนี้เพราะว่าปัญญาเยอะเลยไม่มีศรัทธามารู้ทีหลังว่าตัวเองเนี่ยเคยพบพระพุทธเจ้ามาแล้วก็สายไปซะแล้วเพราะว่าโดนวัวขีดตายเหมือนกับเรื่องของพระภัยยะศรัทธาปัญญาไม่ต้องพอดีพอดีนะก็ต้องมีสตินี่แหละคอยคอยช่วย ถ่วงเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราเวลาเราทาความเพียรเนี่ยก็ขอให้ให้มีสติเข้ามาประกอบด้วยแต่ว่าโดยตัวมันเองเนี่ยถ้ามีวิริยะแล้วเนี่ยมันก็ช่วยถ่วงกับสมาธิได้อยู่แล้วใครที่มีสมาธิมากก็อย่าลืมที่จะหย่อนความเพียรเพราะถ้าย่อนแล้วสมาธิมันก็พาไปไปในทางที่ผิดได้เหมือนกันนะวิริยะทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงเป็นตัวทานตัวสมาธิ แล้วที่จริงวิริยะนี่มันเป็นตัวทวงอีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวทวงทำให้ตัวหนึ่งคือสันโดษนะพวกเราก็คุ้นเคยคำว่าสันโดษดิสันโดษคือความพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ฟังดูมันง่ายแต่ยากเพราะว่าขนาดคนที่รู้ธรรมะคนที่ปฏิบัติธรรมแต่เวลาไปซื้อของอะไรสามารถจะซื้อได้ถูกแต่พอรู้ว่าคนหนึ่งเขาซื้อถูกกว่าก็ซึมไปไปช้อปปิ้งไปต่างประเทศนะ คนไทยเราก็ชอบต่ออยู่แล้วของเขาขายพันหนึงก็ต่อได้700ดีใจนะแต่พอไม่เห็นเพื่อนเขาซื้อได้ของอย่างเดียวกัน500ก็จะรู้สึกเศร้ารู้สึกซึมแล้วก็จะรู้สึกไม่ค่อยพอใจของที่ตัวเองซื้อมาเพราะว่ามันมันแพงกว่าเขาอันนี้เราไม่มีสันโดษไอ้สันโดษเนี่ยแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยอาจจะตกเข้าไปอยู่ในความไม่กระตือรือร้นได้ สันโดษเนี่ยบางทีไปเข้าใจผิดสันโดษคือว่าเออฉันต้องการร้อยบาทและฉันก็หามาได้ร้อยสบาทเพราะฉะนั้นฉันหยุดหาละฉันพอแล้วอันนี้มันสันโดษผิดแล้วนะเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยถึงแม้ว่าต้องการร้อยแต่ว่าเราสามารถจะหามาได้มากกว่า น, นั้นก็ได้หามา200แต่เราก็ใช้แค่ร้อยเดียวและที่เหลือเราก็เอาไปทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ไม่ใช่ว่าฉันต้องการร้อยหามาได้ร้อยฉันหยุดแล้วฉันก็นั่งเล่นนั่งเล่นไปครึ่งวันอันนี้มันจะตกเข้าไปอยู่ใน<ม>ในความขี้เกียจได้ถึงแม้ว่าเราใช้น้อยแต่เราก็หามากและเพื่อที่เราจะเอาส่วนเกินนั้นเนี่ยไปทำปรปโยวนให้แก่ส่วนรวมให้แก่คนที่เขาเดือดร้อนนะอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบพุทควจะทำซึ่งจะทได้ต้องมีวิริยะต้องมีความเพียรหรือว่า สมมุติว่าเออฉันก็มีเงินพอแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยฉันหากินแค่ครึ่งวันฉันก็พอใช้แล้วที่เหลืออีกครึ่งวันแทนที่จะนั่งเล่นเราก็ไปทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมไปเป็นอาสาสมัครหรือว่าไปปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่ใช่นั่งเล่นอยู่เฉยๆนะนั่งเล่นนอนเล่นนี่มันมันจะเข้าข่ายขี้เกียจนะก็ดีแล้วที่เราไม่เดือดร้อนกับการทำมาหากิน แต่ว่าการที่เราใช้น้อยไม่ได้ไหมายความว่าเราก็เลยทำงานน้อยลงแล้วเราก็มีเวลานั่งเล่นนอนเล่นมากเกินไปนี่ไม่ใช่เราก็มีเวลาทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ศึกษาหาความรู้ทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมเข้าวัดปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เรียก ว, ว่ามีวิริยะเพราะฉะนั้นวิริยะเนี่ยมันจะคู่กับสันโดษนะใครที่สันโดษโดยที่แจแน่ใจว่าเป็นสันโดษจริงหรือไม่ต้องดูว่ามีวิริยะหรือเปล่า ถ้าวิริยะมันหย่อนนะเอาแต่นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่บ้านอันนั้นมันไม่ใช่สันโดษในพุทธศาสนาคนไม่เข้าใจนะแล้วก็คนไทยจํานวนมากก็มักจะพลั้งเข้าไปในเรื่องของสันโดษผิดวิธีคือสันโดษที่ขาดวิริยะในวิริยะนี่เป็นตัวตรวจสอบว่าเราสันโดษจริงไหมถ้าเราเป็นพวกเฉยๆเหนือยๆแล้วเราบอกว่าฉันสันโดษฉันสันโดษนี้ให้เดาไว้ก่อนว่าเป็นสันโดษที่ผิดแล้วไม่ใช่สันโดษในพุทธศาสนา พอเสนอในพุทธศาสนาเ น, นี่ยหมายความว่าใช้น้อยกินน้อยแต่ว่ามีความเพียรมีความขยันนะทำงานทําการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทําความเพียรภายในหรือว่าการไปช่วยเหลือส่วนรวมไม่ใช่งอมืองอ่าเท้าอันนี้นวิริยะนี่เปนตัวสําคัญมากเป็นเป็นธรรมะที่นอกจากจะช่วยทำให้บรรลุความสําเร็จในทางโลกแล้วมันก็เป็นตัวช่วยตัวทวงดุลว่าธรรมะที่เรามีเนี่ย นะมันเป็นธรรมะจริงไหมเป็นปนสันโดษจริงไหมหรือว่าช่วยทำให้ธรรมะที่เรามีเนี่ยมันไม่พาไปในทางที่สุดโต่งเกินไปหรือเกินพอดีเช่นเอาแต่ติดกับสมาธิจนกระทั่งไม่อยากจะทำอะไรอันนี้ก็เป็นวิชาสมาธิได้ง่ายธรรมะเนี่ยมันมีดีก็จริงนะแต่ว่ามันต้องมีตัวอีกตัวนึงมาถ่วงนะธรรมะต้องมีตัวนึงมาถ่วงเสมอไป เช่นศรัทธาต้องมีปัญญามาทวงหรือปัญญาก็ต้องมีศรัทธามาทวงหรือว่าคนที่มีวินัยคนที่มีวินัยเนี่ยมันก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์หรือความกล้าเข้ามาเข้ามาประกบด้วยไม่น้ำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคนที่ติดอยู่ในกรอบติดอยู่ในกรอบคิดอะไรไม่เป็นนะเพราะว่ามันติดอยู่กับแบบแผนมากเกินไปจนกระทั่งไม่กล้าที่จะออกนอกกรอบไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยนะคุณธรรมเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ย ถ้าสังเกตดูมันจะเป็นคู่คู่ซึ่งคอยทวงกันและกันคอยทวงไม่ให้มันมันไปผิดทางอย่างเช่นเมตตากรุณาเนี่ยก็ต้องมีอุเบกขานะมีเมตตากรุณาแล้วนี่บางทีถ้าไม่มีอุเบกขามาทวงมันไปไหนก็ไม่รู้บางทีมันเมตต า, าผิดวิธีเช่นเห็นลูกเดือดร้อนลูกไม่ทาการบ้านกลัวครูตีก็ทาการบ้านให้ลูกทาด้วยเมตตากรุณาแต่ว่านี่ไม่ใช่อุเบกขา พราะถ้าอุเบกขาเนี่ยถ้าลูกไม่ทําลูกก็สมควรได้รับโทษจากโรงเรียนไม่ใช่มาคอยป้องการปกป้องไม่ให้ลูกได้รับโทษด้วยการที่ทําการบ้านให้ลูกเองหรือพ่อแม่บางคนเนี่ยอยากให้ลูกสอบเข้าหมหาวิทยาลัยแต่ น, นี้ลูกไม่สนใจทํำยังไงก็เลยช่วยช่วยจัดการเรื่องการโกงข้อสอบให้อย่างเมื่อต้นปีนี้เนี่ยก็มีการโกงข้อสอบโดยใช้นาฬิกาประกว่าจับได้สาวไปสามประกกว่า แม่นี่แเป็นคนจัดหาติดต่อไอ้แกงโกงข้อสอบให้จ่ายเงินเป็นเขาว่าเป็นแสนนะเลข6หลักแม่นี่เป็นตัวจัดการเองเลยอันนี้เรื่องเมตตากรุณาที่มันขาดอุเบกขามันก็กลายเป็นสีลเนหาไปอั้นธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยนะถึงแม้ดีก็จริงนะแต่ว่ามันต้องมีการทวงด้วยธรรมะอีกอีกชุดหนึ่งอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติคือปฏิบัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรม ให้เราจับให้ดีพิจารณาให้ดีใช้ปัญญาให้ดีไม่ใช่ว่าไปแต่พึตะพื อ, พอแล้วก็โดยที่ไปคิดว่าเออนี่คือธรรมาแล้วก็ดีเสมอไปบางทีมันไปผิดทางนะเช่นสันโดดผิดทางหรือว่าสมาธิแบบเกินเลยไปอันนี้ก็ก็ฝากเอาไว้